ถ้ามีการฝันเกิดขึ้นก็จะต้องมีเหตุไม่ใช่ไม่ฝันมีเหตุมีอะไรบ้างาจิตนิวรณ์ธ า, าตุกำเริบจิตนิวรณ์เทพสังหรณ์เทวดาดวใจกรรมนิมิตอะไรพวกนี้ว่าเราจะเป็นอันไหนถ้าธาตุกำเริบแลก็กินมากเกินไปในเวลานอนหรืออาหารที่กินเข้าไปเป็นพิษหรือตอนที่นอน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 แต่ไม่มีสักข้อนี่เอาพับนะถือว่นคนเอาพับนะให้มีสักหข้อขึ้นไปแล้วกันในสิเอนี่ยแต่คนไหนมีมากกว่า น, นั้นก็ยิ่งถือว่าเมตตาสูงเป็นเครื่องวัดนะอย่างน้อยก็ไปที่รับของเพื่อนหลับง่ายตื่นง่ายสบายอะไรพวกนี้ก็ก็ลําดับดูไปนะอันนี้ก็นําเรื่องนี้มานําเสนอเพื่อที่จะปูพื้นฐานจิตให้อ่า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 สติหวขึ้นในการแก้ปัญหาป่รศักิก็เป็นส่วนเสริมที่เราจะต้องมีด้วยว่าเอ๊ะปฏิบัติแล้วทำไมปรวยศักิ์ปัญหาแค่นี้ง่ายๆทำไมแก้ไม่ได้เพรา ะ, ระกุศลและจิตของเราไม่ค่อยได้สั่งสมนั้นการทำบุญให้ทานเนี่ยมันเพื่อทำให้จิตเป็นกุศลวันนั้นโยมมาเยี่ยมก็บอกว่าเอ๊ะเราไม่รู้เราทา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 ก็ไม่รอดเหมือนกันรานอาจจะงอมกันแต่ไม่รอดนะนี่มันมันก็เป็นปัจจัยเก้อหนุนกันเงี้ว่าทานศีลภาวานามันเกื้อหนุนกันลักษณะอย่างนี้อ่โยมก็ถามว่าจะทาไม่ได้ว่ากุศลนั่นเกิดจากวิปัสสนาเป็นกุศลสูงสุดในบรดาบุญทั้งหลายเพราะนั้นทำวิปัสสนาอย่างเดียวเนี่ยบุญกุศลต่างๆ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 จิตที่ขณะที่มาตามดูกายมันก็ลืมอะไรลืมความคิดลืมความฟุง้งซ่านล่ะสมาธิก็เกิดโดยโดยอัตโนมัติใช่ไหมแต่เอ๊มันดูหลายครั้งดงดูไปดูมามันไม่มีอะไรจะดูมันเบื่อยังไงทําไงหนวงพอ่อคุณก็หาเรื่องดูไปเรื่อยอพลิกบ้างเปลี่ยนบ้างยืนบ้างนั่งบ้างเออนั่งมารู้สิกยี้ยืนนานรู้สึกยี้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 ที่นี้เปลี่ยนให้เป็นสมาธิเอาอะไรมาเปลี่ยนก็คือตัวรู้นะคือตัวรู้ที่เราทำอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นตัวรู้ถึงสร้างเยอะมากเลยลำพังเราจะมาเก็บแล้วการยกมือการสร้างจังวหวะหักคอเนีนไม่พอแต่อันนี้คือเป็นเป็นโมเดลเป็นแบบอย่างที่จะนำไปใช้ในชีวิตจริงเท่านั้นเองอันนี้คือสนามเพาะสนามฝึกไม่ใช่สนามจริงสนามจริงของเราก็คือ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 มาแล้วจะจุดทู่หรือจุดเทียนก่อนอ่าไม่ใช่จุดมั่วนะเออมันมีความหมายเขามันอ่าจุดเล่มซ้ายหมายถึงเปิดดวงตานอกเปิดจุดเล่มขวาหมายถึงเปิดดวงตาในนะเพราะฉะนั้นตานอกเราต้องเปิดก่อนเพราะนั้นจุดเทียนก็จุดเลื่มซ้ายก่อนแล้วก็ไปจุดเล่มขวาตาตานอกบางทีตานอกดีก็ยังรถขับรถไปชนกันเฉยใช่ไหม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 อินวสิสังขะบุดะดัมตีทริปมทีทรญมลัตนาตรทรมนสัญริมตนั้นจะเห็นว่าการเจริญสติการเจริญปัญญาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นการเปิดตานอกตาในาให้เราให้สว่าง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 อย่างพระสารีบุตรหรืออันที่ท่านเป็นขึ้นหันอุปติสานี่ท่านได้คลิกได้ดวงตาเห็นทางึ้นมาจากพระ อ, องค์หนึ่งชื่อว่าอาชิชี้ใช่ไหมอาชิชพูดยังไงกับท่านเกิดคลิกขึ้นมาคําพูดนั้ น, นะที่เป็นกุญแจโยมจำไม่ได้หรอกแต่ามาจําได้เยธรรมาเฮตุภาเตสังเฮตุงดทากาโตเตสัญจญาโยนิโลโทจากเอวังวาทีมหาสัมโนยาวกว่าพระอญญนุญาตคุณญาณหน่อย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 มีนิยม่ะไรายเออร์อัชเ e นต anything in e g a t i v e thought you see it clear and let it go don't attach it if you try to attach as a thought moment like the fly the fly when they see some flesh meat okay they h o d i but as soon h a t they give the the egg but the egg of the fly become warm can understand it